พระสัชชิแสดงธรรมลำดับนั้นท่านพระสัชชิได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริภาชกว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้